พรอมละกลาระหังสมมาสมพุทวภาควังะมีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันดาเพลิงกิเลสเพลทุกสิ้นเชิญราสรู้ชอบได้้วยพระองค์เองผู้ดำ พาะขวันตังอาภิวันเทมีพระพระเจ้าอาภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลาบสวงขาตุนอาคา เป็นธรรมดีพระผู้มีพระภาคเจ้ากราดไว้ดีแล้วอามังนามสัมมีอัมมเจ้านามาสการพระธทามลสุปะอิปนุวัลาคาวาโตสาวกะสังโค พระภาเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆนมาภิคามาเจ้านอบน้อมพระสงหันนามยังพุทธสักดะกวะโตกุพาภาคะนมักการังการรมักเสินนัมณตสัหภคา นะโม阿ตสัพพะคะวาตัอรหตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัพะคะวตรหตสมมาสัมพุทธัสสะอนน้องแด่พระผู้มี จากเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ใคราจากกิเลสระสรูช้ชรบได้โดยพระองค์เองหนังสือเป็นหน้าแปสิบเอ็ดหนังสือสวดมนต์แปลชบับแปลแสงเทียน แปสิมหาสติปทานสูตรเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ว่าเอกังสามะายังพขะข่ว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าบวร้สุวิหารติ ราทับอยู่ใ น, นดินแดนแห่งงูชนชาวกุรุทัง้งหลายกมาสะธรรมะนงงามากุรุนังนิขามโมนิคมแห่งชาวกุรุชื่อนิคมกรมาสะธรรมะตราตราโคภะคาวาปิคูอามันเดสีพิคโวตี นาดีนั้นเองพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพระทันเติเตปิคูปกขวะโตปัจจโสสุภภาวะเอตถะโวจา รันภิกษุทั้งหลายทูลขาดว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึคงตรัดเนื้อความอันเป็นอุเทศคือหัวข้อแห่งมหาสติปันสุดนี้ว่าเกกายโนอายังบิคาเวมะโค พิสูจทั้งลหลายหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวศาสตานางวิสุทธิญา <ใน S 1> เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายโสการบริเทวานางสมาติกามายาเพื่อการก้าวลวงเสียซึ่งความสศกและความร่ำไรรำพัน โัป่โตมานาสานังอาทาังขมายะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมานายายาัสัตธิขัมมายะเพื่อการ <โด S 1> บัณธรรมอันศาสพึงรู้นิพพานาสาสาชิกิริยายะเพื่อธรรมรานิธานให้แจง้ง ญาติทางจัตตารสติปัฏฐานันหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่กาตาเมจัตตารุสติปัฏฐานทั้งสี่คืออะไรเล่าจิกาพิาเวพิคุลิภสุทั้งหลายิกสุกสในศาสนานี้ กายกายานุปสิวิหารตาิเป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายอยู่อาตาพิสัมปชาโนสติมาเธอมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ วิ s <S <c oughs> นายังโลกเกหภิชาโทมานาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาสุเวทนานุปัีสิเวห า, าติ เป็นผู้มีปรกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อาตาปิสัมปาชาโนสกิมาเธอมีความเดียนเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ วินัยะโลเกอภิชตาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานอิเตจิตานุปัสสิวิหาราติม เป็นผู้มีปกติเห็นจิตในจิตอยู่อาตาปิสัมปชาโณสกิมาเธอมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวินัยโลเกอพิชาโทมาสัง นำคปามปาพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่าจิตานุปาสนาสติปัฏฐานทำเมสุธรมมานุปสิวิหรารตีเป็นผู้มีปกติเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อัตตาปิสัมปาชานุสติมา เธ อ, อมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวินัยะโลกะภิชาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน